คัดมาบางตอนดังนี้เอสุการีพราหมณ์ทูลถามว่าท่านพระกอดมผู้เจริญพราหม์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้สี่อย่างคือบัญญัติการพิขาจารให้เป็นทซั์ประจําตัวของพราหมณ์บัญญัติธนูกับแกล้งให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของกษัตริย์บัญญัติกสิกรรมและการเลี้ยง โ, โคให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของผู้ที่เกิดจากตระกูลแพทย์บัญญัติเคียวและไม้คาน ให้เป็นรับประจําตัวของผู้เกิดจากตระกูลสูตรพราหม์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้สี่อย่างดังนี้ท่านประโคโดมผู้เจริญจะตรัสว่ากไก่ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสถามกลับว่าแน่พราหมณ์ชาวโลกทั้งหมดพร้อมใจกันอนุญาตข้อตกลงนี้ไว้แก่พราหมณ์ทั้งหลายว่าขอพราหม์ทั้งหลายจงบัญญัติซับสี่ประการเหล่านี้เถิดดังนี้หรือพราหมณ์กราบทูลว่า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 ไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์จากตระกูลพราหมณ์จากตระกูลเจ้าเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทาเป็นไม้สีไฟก่อขึ้นให้มีความร้อนปรากฏไฟนั้นเท่านั้นหรือจึงจะมีเปลวมีสีมีแสงและสามารถใช้ทำกิจที่พึงทําด้วยไฟได้ส่วนไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลจันทารจากตระกูลพราหมณ์ จากตะกูลช่างสารจากตะกูลช่างรถจากตะกูลคนเทขยะเอาไม้ร่างสุนักไม้รา n g สุกรไม้ร่างยอมผ้าไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟก่อขึ้นให้มีความร้อนปรากฏไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงไม่สามารถใช้ทากิจที่พึงทำด้วยไฟได้อย่างนั้นหรือพรามกราบทูลว่ามิใช่เช่นนั้นท่านพระโกดมผู้เจริญายทั้งหมดนั่นแหละ